ละโมตัตสมมสออนนะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่ตมเดชพระเวชาพอรันต์ธรมมาธรมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอาความตัวคุ้มเริตามพระธรรมในสท่านไั้งหลายที่จะทานทในธรรมในโตต่างๆเรื่องกันฟังมีสองประการฟังเทศกับฟังธรรม ในที่นี้เรามีการังธรรมให้ปฏิบัตธรรมหรือพาวนาไปด้วยนั้นควรจะกลับท่านั่งเป็นท่าสรวมที่เป็นท่าทุกข์เจ้าจงรับใส่ใจ้ีว่าพระชงขวาพระชงซ้ายผ่านขาสะบัดซ้ายสั่ตสงตายตรงเขาเรียกว่าเป็นท่าสำรวมนั่งฟังเทศทับเพียบเรียบร้อยพนมมือ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 อยู่กันสองคนก็ตามทำไห้ทรมตาแล้วอดคุยกันไม่ได้แต่จะอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันนั่นงทรมตาด้วยกันหมดทุกท่านทุกคนแล้วประหนึ่งว่าเราไม่เห็นใครเลยเราไม่ได้ไปให้ต้องอยู่ห่างอยู่แล้วแต่เราต้อรมตายเราเทียงคู่ด้ยวยตัวเองเราไม่มองใครใครไม่มองเราต่างคนดั่งมองตัวเอง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 จะไม่ตกไปตูตุกติกจะไปตูตุ ก, ก ต, ต, ต, กกติพวกเรานี้เรื่องทานยังพอใช้ได้แต่บ้านเมืองเราวุ่นวายเพราะสินสินไม่ค่อยดีดื่ดทสารยามาบ่อยสติมันก็เสียพูดจามันก็หลอกลวงง่ายพูดมาอยู่ลองมาลอยเรื่องเมื่อเบาแล้วเรื่องํมอามส่นน้ำเพศมันก็เอา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 กว่าจะได้เลยทันก็หมดเงินหลวงไว้เยอะแล้วไปได้ทันก็ตวัวบัญชีเจอจะตั้งปลายปีนี่มันรู้ว่ามันโกงกันไปตั้งหลายเดือนแล้วก็เพราะอะไรก็มันเรื่องงานไปเที่ยวกินเหล้าของยาต่อเงินเดือนจะพอใช้เลยหรอถ้ากินข้าวนาะพอกินเหลาไปพอแล้นั่นเพียงแค่สิบห้านั่นล่ะ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 แต่ว่าเมื่อธาตุพไม่ดีแล้วจะไม่ปัญหาต้องคอมยักขึ้นไม่ก่อนนะั้นเราจะไการวันพระพั ง, งนักเรียนน้งเรียนก็ผู้บจญชาไม่หยุดวันพรเมื่อหยุดแล้วชาวบ้านจึงมีเวลาเอาเข้าเหม้อแกโไปใส่บาน ท, ที่วัดในวานนันะ้นอ้าวทหรไปด้วยช่วยเฮีย ว, วยัใส่บาน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 จากนักเรียนเตีกันก็เป็นเรื่องปัญหาไม่เฉลียเหมือนกันนี่ผู้ใหญ่มันตีกันมันปัญหาเรื่องแล้วเาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะอมชมกันได้แก่ไหเนเพียงไรอะไร เ, เพื่อไม่แก้ปัญหาเส้นทามแล้วไปแก้ปัญหาภายนอกเนี่ยยากยากแล้แก้ปัญหาเส้นทามนั้นก็ต้องอย่างพวกเรานี่มีการกำหนดเวลาอนุญาตให้นาน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 ไปไหนมาไหนไม่ต้องมีอำนาจหรอกไดนลำพังสบายสบาวไม่กลัวได้เรามีทานมีศิลป์เปนพื้นแล้วพุทธเจ้ารองว่าอย่ามรรแตะวันแล้วถึงตายก็ไปตะวันไม่กลัวแล้วถ้ามีพนาด้วยยิ่งมันคงยิ่แต่ก่อนนั้นยังบดบันพันพึ่งมากพอจิตมันเริ่มสมบกสั้วมันกพลันาจากคนเหมือนกันผู้หญิงก็ตกกันเนี่ยมือแบ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 เมื่อรวมตาแล้วเราไม่ ม, ไ ม, ม, มีเรื่องจะคุยมันก็ทํากับตาอยู่เดียเป็นจะพูดแต่แทำ น, นี้ก็เรียกว่ามาให้ตังเข้าใจในเรื่องของความุกภายในเมื่อเราเขา้าจิตดีแล้วพันบอกว่าวัานหนึ่งก็หนึ่งเนี่ยเราไปรู้เรื่องของตรงนี้เยอะลยแต่เราไม่เคยรู้เรื่องตัวเราตอนนี้ทดลองดูดิ ไม่ต้องไปจำที่เขาเรียกตามชื่อก็ได้เขานั่งตัยสบายนี้แหละกำบนดเอาจิตกำหนดตัวงาไม่รู้อะไรหกจิตคำหนดตี่ฝ่าเทา้าลกไปที่ฝ่าเทา้าหลเทา้าสะก๊อกเล้ยวเทา้าเล็บเทา้าฝ่าเท้ามันยังมีต้นเท้าอีก ข้างบนก็เป็นนิ้วเท้าเม็บเท้าหลังเท้ามาถึงข้อเท้าก็เป็นมีตะกุมหน่อยนึขึ้นมาก็เป็นปลายขาขึ้นมาส่งไปเรียกว่าเ ข, าข่าข้อเขาด้านหน้านเรียกว่าแข้งด้านหลังเรียกว่าน่ อ, อ, นองขึ้นไปจากข้อเท้าเล็กน่อยก็ค่อยใหญ่ขึ้นทีนีวเข่าก็เริ่มจาใหญ่ลแล้วแข้งตรงข้อเขานี้ แล้วขึ้นไปเป็นต้นขาแล้วต้นขาเขาใหญ่ยิ่งกว่ภูเขาที่ใหญ่กับปลายขาที่ต้นขาลำรอบเขารียกตะโพกต้านล่างที่บอกกน้นก้นยังมีถวานาันหนักขึ้นไปวเวต า, าเอลลำรอบตะโพกมันขายเวตเอลมันคอดออหน่อยนึง ด้านหน้าเรียกว่าท้ออยท้นนีมีตะ ว, วันเบาอิตานอรเติมเอฟเฟนดั้งท้องก็เป็นท้องธรรมดาขึ้นไปเป็นอกเป็นช่วงอกไปนีรักแลนเรียกวาไลแล้วนึกลงมาต้ ง, งต้องแขนตระนึกลงมาที่กอกตอลงมาที่ รายแขนมีข้อมือแล้วก็ล้ำมือดิ้วมือเล็บมือฝ่ามือเล็บมือนิ้วมือเหมือนกันกันนะเมื่อรู้ข้อมือแต่แล้วก็ควนคืนขึ้นไปของมือเท้าให้มันคลอดแล้วก็ขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไรที่รวมก็เป็นที่เรียกว่า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 สำนักตะโกนี้กรเคยเห็นหัวกระโหลกมาแล้วมันก็แปลกวาาาา่าถ้านิสัยคนเราหน้าตาคนเนาก็ดูดีหรอกแต่เป็นหัวรโหลกแล้วมันดูแล้วมันน่าเกลียดเอาวจก่อนเหมือนกันทั้นี้ว่าเราเห็นหัวรโหลกคนนึ่เรากลัวหัวกระโหลกตัวของอยู่ในตัวนี่กับเฉยเฉยไม่ได้เห็นรูปน่ากลัวเลยเลยไม่น่าเกลียดเลยนี่ตรงนี้สมมติว่ามันก็แปลกว่า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 เรือนี้เรียกว่าถ้าเรามากำหนดเฉยๆนี่คนในใหม่ไม่เคยเห็นหรอกต้องนึกภาพใจนึกภาพที่ชัดเขาต้องไปดูที่เขาแสดงไว้เดนนี่มีบางแห่งเช่นเลางวันสินลานี้เขาฝึิพันไกลภาคไว้เขาจะมีส่วนไอ้มะน้อยใหญ่ของคนเรา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 แต่เขไม่เคยดูแล้วนึกถึงบอดก็ไม่รู้มันปัสสาวะจริงๆไปนยนงไงถึงเขาใจก็ไม่รู้ที่ปไปไงยิ่งตับยิ่งไตรู้อยู่เห็นภาพวาดอยู่แต่ภาพจริงก็หาดูยากต้องตำหนาแท้ดีนี้นักศึษมาบางแห่งก็จะมีเริ่มลงมาแล้วลงแต่น้อยใหญ่ให้คนพิการเข้ามาายลงมาถึง ทองแล้วก็มีเพราะมีใกล้ใหกน้อยลงมาจนถึงที่ว่าเอวแล้วก็นอ่าเป็นตะโพกดันหน้าก like, <the> ็เป็นอย่างที่พี่พี่พี่แล้วเป็นทองเป็นตะโดยเป็นทองน้อยเป็นะวันเบาหัก็เป็นก้นเป็นวันหนักเป็นต้นขาเป็นภกเขาเป็น ไต้าผาเป็นหน้าแก่เป็นน่องเป็นก้เทาหังเท้าเดือยเท้าเดือเท้าขาเท้าชนเท้ก็เป็นอันว่าวันหนึ่งก็นึ่งเรามีการคิดกันนั่นอย่างนี้มาหน่อยหรือว่านั่งคำนวณรายจีแล้วกระเพ้งแต่คำนวณอย่างเดียวแต่ทางพระบอกว่าคนสามัญ น, นั้นอะ เห็นกายของงามที่เล่ตามมันก็จะความเลิกพระจึงเรียกว่าให้คนกระแสเห็นกายขาเขาไ ม, ม่งามกิเลสการอย่างทุกข์ทมาร์แต่นี่คนทาอันนั้นเขาเห็นคนนุ่งตามเนี่ยเขาเรียกกรรมาคุณตามมาคุณเขาไม่เคยเห็นมันกรรมาโทษต่อเมื่อมันเกิดโทษเสร็จแล้วมันเกิดดูกันแล้ว ข้องขัดแคลนแล้วความเห็นไม่ลงกันแล้วผลรโยชนขัดกันแล้วมีคนยุยงให้แตกกันแล้วมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องกอบแกแล้วให้มันฆ่ากันได้มันทำลายกันได้แทบไม่น่าเชื่อเลยถ้าไม่มีรู้ไม่ตาแล้วบั น, น, น, น ด, ดีก็ยงทำลายกันเข็นฆ่ากันทอดทิ้งกันจนทาให้ทังคมเด็กที่โตขึ้นมีปัญหาชีวิตนะั้น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 ครับพันยาศรัาไม่หมดว่าจะเอาไปที่ไปทั้งคู่นั่นน่ะน้อยที่ไปท้งบ้านนำทางไปทางนาไปทั้งคู่ละ น, น้อยอย่างนี้มันเป็นเรี่ว่าบางคนลเกิดที่ไปที่วัดมากกวจัไม่้อใจแล้วทำไมเธอมอาดูแลครอบครัวเที่ยวไปวดัดัเรื่อยๆเอาแล้วทัศน์่าเนี่นยท่าแล้วมันเคลไปแล้วนี่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 ความเพกเฉผิดใจแล้วก็เพราะอะไรมันขาดจินทมเป็นการกามเหมือนกันทังกานที่เราพนันกํน า, ากถานเนี่ยคือเพื่อมันดู้ทรมชาติธชาติของเราทั้งเรื่องของกายทัทง้งเรองขอจิตจิตนี้เป็นธาตุรู้มันมีรูปร่างเรียกอัตหลังจิตนี้เวลานี้มันอยู่ในควาตะยังอยู่ในอไทายวัตถุ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 ให้ทำไมถึงเราปวดปวดปวดทนลองเอาชิงมาจากทันทีเนี่ลองเพ่งปวดทปวดเจ็บท่นเจ็บแล้วไม่ขยับพระเจ้าหรอะเอาเป็นไงเป็นกันเราเกิดมาเราไม่มีตรงร่างตายไปก็าทิ้งตรงร่างเนี้ยเป็นไงเปนกันเกิดเหมนจิตเราต้องกบปุ๊บเข้ามาเนี่ไม่รู้หายปวดยังไงมาหายปุ๊บไปเลยเพราะอะไร ทางาพรเรียวจิตรวมจิตที่มันแปรธาเ น, นี่ยมันมรว ม, มก็ปวดนั่นเจ็บนั่นวิจารนนร น, นี้ลอยใจนั่นอยนี้ถ้าจิตรวมตัวเดียวนั่นแนหะมันก็เลยเบาไปใช่แล้ไม่กำเนงลนะเรียกว่าไม่ไม่กำเนงว่าจะอะไรเกิดขึ้นแนะ้เาเรียกว่าเพราะว่าใจเรามีที่อยู่แล้วฉะนั้นเรื่องคนที่มันเคยเป็นคำถานนี้ไม่รู้คนหน่อยก็ บางทีก็องหัวเสียนะถ้าเผื่อเราเข้าใจว่าอ๋อเรื่องของเขาก็เรื่องเขาเน่เรื่องเราเรื่องเราเราวเพิกจิตมาเพื่ออะไรล่ะเพกจิตมาควบคุมใจไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งมันร้องที่เราระวังให้หมู่ระวัง น, น, นั้น่นคือว่าเพื่อว่าบางคนทําใจไม่ได้เขายูหว่นไหนบ้าง แต่ว่าคนที่มั่นงคง้วให้เกิดขึงตามทีจะฟ้าผ่าก็ดีเขีนว่านก็นดีถู ก, กักัดกดีเราไม่สงใจไปยุ่ ง, งกับ เ, เขาหรอกเเรื่องเขาเรื่องเขาเองดันกับตวใจกันว่าว่าแวกหรือเปล่าหวั่นไหวหรือเปล่าวุ่นไหวหรือเปล่าถ้าจิตไม่เคยฝึกแล้วมันต้องหวั่นไหววุ่นไหวอยู่ดีอะเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นยู่ น, นี้แต่เรา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 ทันเตืนก็นธรรมดาคนนิาธรรมาดาเลยแม่หลายต่อเรื่องเขาจะได้ลาบก็ธรรมดาเรื่องหน้ากธรรมดาเก็บยดัดเลยได้ลัยดธรรมดาเงนินรร น, น, นิทานท่นเตือนกุกแต่เจ้าของจะต้องใครก่อนว่าทำไมมันได้ลามันเพราะอะไรเราตอนนั้นมันขยนันเพื่อแต่พรมีเพื่อนปฏิมาใจทำคว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 หารู้ไว่าเรื่องของการได้มันก็คือได้พระเสียนี่บางทีเทไปที่ไปก็อยากรู้ตัวขึ้นควาแย่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีมันเสียผู้ปฏิบัตก็ยินงนักไปอีกอการทำบัญทานนี้จึงเป็นเรื่องฝึกเจ้าของเองแต่อาิบยหมู่คณะช่วยอธิบายสิวงตอร์มาลอมช่วยอาศัยครูอาจารย์ช่วยนั้นบางราย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 ความตกสนใจนที่คุณจะรู้รองว่าซุกเงินจริ่งขอสอบไม่มีนัดเตะนันเราไปกอนันเนนเขขงเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้สำหรับตักภาวาแต่คนไม่ภาวนาแล้วโอ้ยมันยากไม่นั่งภาวนาผมไปเที่ยวเฮฮาไปดูหนังฟงเพล น, นี่ก็แข่นีห้ถ้าถูกแล้วก็นั่นแหละคุณก็ตกตกไปเซะ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 แต่มันขาดมันไม่ตายทันทีเลยแม้ขาดยางก็ไม่ตายทันทีแต่ขาดลมหายใจนี่มันตายเร็วที่สุดเลยสามเดือนทีตายแล้วไม่มีเต้นเลี้ยงสมองตายแล้วโดวยกันนี้ลนะผู้ทร์อตอนนั้นเป็นเศษฐะ ร, ร่วงโรยตัดจึงทรงเพียนเพ่งดีปายเฉมุกตายนาติดไปสังเกตที่อนานิสาปตะลมพัดมออก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 จะต้องเข้าใจพราของธรรมะมางอย่างเหมือนกันเช่นความเพียร น, นี้ทั้งโลกเขาเพียรเพียรธรรมะกินเพียรเก็บรมนีรรฤฤฤฤ้แต่สถานี้มุ่งทางนัานบุญตุศว่าเพียรต้อง้นงบาปเพียรละบาปแล้วก็เพียรเผ่นบุญเพียรละทา บ, บุญให้คงอยู่เป็นเรื่องมุ่งทางนัานบนบาปเป็นใหญ่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 ของเก่าเรามีมากน้อยเป้นไดเพียงแคนั่งเดนี้ก็น้อยกว่าผู้ที่ทำงานหรือผู้ที่ไปรับานารอย่างเป็นตัวน้อยกว่านั้นเห็นว่าเรื่องโรคทั่วนันนี้เรื่องตุกโรคีนี่มันทั่วไปแล้วก็มีการคิดหาความดุในรูปแบบต่างๆมาเผยแพร่เป็นเรื่องสารที่นั่งเกี่ยววันนี้ อาหารเที่ยวอร่อยก็ดีเพียงไหนที่ร้รงก็ดีนักดีไหที่เก่งก็เขาจะมีการเยผยแพรในเรื่องที่แสดงหาคำตอบทางโกูกีนี้ามากมายแล้วกคนก็ติดตามกันไปเที่ยวเทียวอะไเราไม่ว่าราแพ็คเก็เที่ยวตัวนั้ น, น, นไปประเทศไปประเทศนี้ทานั้นทานั้นประเทศนี้ก็เรียกว่าเพราะความอยากไปก็ต้องลองเสีย แต่ว่าความรุกที่เหนือกว่าไปนานกว่ามันอยู่ที่ตัวเรากับจิตใจเราที่ฝึกมีแลละแล้วทั้งโลกของไปแค่หมดลมบรรณามีทั้งหลายความสมบูนเนี่ยมันไปแค่ลมใหญ่ท้ายแล้วคุณหาต็มที่จะตายพอหมดลมแล้วไม่รู้เป็นเต็มที่ของไครแต่สิ่งทำาคุณแล้วขาด่ะสินทรัพย์ไปแค่หมดลมทิ้นทํามพาไปถึง ชั้นนานถึงหมดกิเลาโน้นรัานอีพะกายให้ฐานอีพินใจเข้าใจไมว่ามันได้ขอมีใจเข้ามาภายมันจะเป็นทะเบียงกุ่นไปถึงชั้นหน้าดหรือเป็นกีราพลงกายนักกีฬาฉันเนี้ยพอแก่ๆ แ, แล้วก็หมดหมดท่าแล้วไม่มีแรงจะเล่นแล้วแต่ว่าเรื่องภานานี้แบบยิ่งแกยิ่ง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 ได้แล้วทั้งหมดนะดีไม่ดีถูงไม่ถูกมีชนะอะไรก็ไม่มช น, นะพุทธรงทรงแสดงมาชัดว่าเกิดมาไม่เท่ากันเพราะมันมี อ, อดีตที่มันเท่ากันมาแล้วอดีตชัตนก่อนอ น, น, นาคตชนาน่าเราไม่รู้หรอกแต่แนลงมันได้ว่าถ้าเผื่อว่าเรารูจากวันก่อนวันนี้วันนี้วันหน้าก็พออ่าได้ว่า อ, อ๋อ ถ้าของเรานี้วันนี้มันดีวันก่อนทำมันดีวันนี้ไม่ดีเพราะวันก่อนทำมันไม่ดีวันนี้ทำดีวันหน้ามัดีขึ้นก็เคยให้ตัวเป็นเรือนเป็นปีมาเป็นชาติเหมือนกันว่าที่เกิดมาดีนั้นพอแสดงว่าชาติก่อนทำมันดีเกิดมาไม่ดีนั้นแสดงชาติก่อนทำไม่ดีอันนีหมาอย่างนี้แล้วไป ง, งน้นกคตเหมือนกัน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 เมื่อเกินไปแล้วก็ต้องปล่อยวางไปอย่างน้อยพวกเรานี่็จะมีหลักใจไม่มากก็น้อยแต่เมื่อเข้าใจแล้วแล้วพยายามจะไปเติ ม, เ ต, ม, มเติมความรู้ความใจเติมความเป็นไปอีกทีหนึง่งเพราะกันอบรมธมรรมะเป็นครั้งทราวนี้เพื่อว่าเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดจิตสำนึกว่าสุกโลกีเนะี่ยขนหาทั้งโลกแต่ถูกทงโลกอุตลางนี่ มันจะมีสักกี่ ค, คนสนใจแต่มันเป็นคําบอกที่พระเจ้าและภริายาทั้งหลได้ประสบการณ์แล้วประสบได้สมหวังแล้วถึงรับรองว่าอย่าท่องสายคาสอนที่เจ้าเลยเพราะท่านเจ้าเป็นผู้รู้คําสอนนั่นก็ประกอบด้วยสมมูลทุก อ, อย่างทั้งเกตุทั้งผลรวบยอดคือว่าความชั่วทำให้เกินแต่ร้อนถ้าภาริยาไปนอก คนดีท้งภายในความดุกทั้งภายในภนอกคํามช่วยเหลือกับบาปคํามดีกับบุญถ้าทาําบาควาขาดทุนถ้าบุนเรองำไรนั่นเรียกว่ากาไรทางจิตใจนี้เป็นของเฉพาะตัวใครทาใครได้ท่านบอกว่าการที่เรามีตัณหาฟังเ ท, ที่ยวทำนี้ไม่รายใดอันหนึ่งก็ทำให้เราได้อย่างไรคิดใน จ, จิตใจบ้าง เพราะว่าในเมื่อยังมีชวิตอต่อไปแล้วอะไรที่ไม่ดีก็ควรจะเว้นอะไรที่ดีควรทำเพนเพราะอในเพื่อเัวเองลงได้คือใช้จิตส่องใสพุทเจ้าบอกาละบาปบำเพ็ญบุญลุต้นส่ไงใสที่รู้ใจพุทธนาคือจะขอยุติเพียงตัวนี้ขอความสวัสดีอุณิท่านหลายโดยทุนการเอว